ตอนเทศนากันที่สามเรื่องชีวิตโอปปปาติกะของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตสแสดงเมื่อวันอาสาฬหาบูชา24กรกฎาคมพุทธศักราช2507 อ, อนุโมทนาแก่ท่านทั้งหลายจงอย่าคิดว่าเป็นการเทศเลยเพราะการฟังเทศและการฟังธรรมนั้นท่านทั้งหลายอาจจะหาฟังได้ในที่ทั่ ว, วไปเมื่อมีปัญหาสิ่งใดท่านทั้งหลายก็แสวงหาถามจากผู้รู้ได้การที่ข้าพเจ้ามาพูดนี้จึงไม่เป็นการเทศฉะนั้นจึงไม่มีการขึ้นต้นคำว่านะโมก่อนจะเทศเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะพูดถึงสิ่งที่ท่านทั้งหลายยังไม่ทราบ และไม่อาจที่จะไปหาฟังจากที่อื่นได้เมื่อคราวครั้งก่อนนั้นข้าพเจ้าได้พูดถึงโลกของโอปปาติกะว่าเป็นโลกแห่งความฝันโลกแห่งความรู้สึกนึกคิดฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะมาพูดเรื่องนั้นต่อพูดถึงเรื่องโลกของโอปปาติกะซึ่งเป็นโลกซึ่งข้าพเจ้าจะพยายามที่จะให้ทุกคนเข้าใจเมื่อทุกคนเข้าใจตามนั้นแล้วก็เป็นผลดีแก่บุคคลนั้นเอง ทุกคนอย่าลืมและจงตั้งจิตให้เป็นกุศลว่าวันนี้เป็นวันดีและจะพยายามทำตัวให้ดีที่สุดโลกของโอปปาติกะนั้นเป็นโลกแห่งความนึกคิดโลกที่ใช้พลังกุศลที่ได้สร้างสมอบรมไว้แต่ชาตินี้ชาติที่เป็นมนุษย์นี้แล้วโอปปาติกะนั้นจะทำการกุศลได้ยากมาก นอกจากว่าบุคคลผู้ไปสู่สุขติซึ่งเมื่อเขายังมีชีวิตนั้นอย่างน้อยก็เคยปฏิบัติผ่านขั้นปฐมฌานไปแล้วทุกคนอย่าลืมว่าเมื่อท่านไปเป็นโอปปาติกะแล้วนั้นยากนักที่จะได้มาติดต่อกับคนที่เป็นมนุษย์กับโลกมนุษย์นี้ยากเสมือนหนึ่งมนุษย์พยายามที่จะติดต่อกับโอปปาติกะ ทุกคนเมื่อพูดตามความเป็นจริงแล้วไม่มีการตายคำว่าตายมีใช้แต่เฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นเมื่อท่านได้ทิ้งกายเนื้อที่เป็นวัตถุสสารนี้ไปแล้วท่านจะรู้สึกว่าท่านไม่ได้ตายและอย่าลืมว่าร่างกายของโอปปาติกะนั้นเมื่อท่านได้ทิ้งกายที่เป็นวัตถุเนื้อหนังนี้ไปแล้วท่านจะอยู่ในอำนาจของจิตล้วน วิญญาณจะสร้างสารรค์ชีวิตของท่านขึ้นมาเมื่อท่านมีกุศลซึ่งได้เคยกระทำไว้แต่ในชาติที่เป็นมนุษย์จิตใจงดงามผ่องใสรูปร่างที่ออกมานั้นก็จะเป็นไปอย่างที่จิตใจคิดเพราะฉะนั้นท่านอย่าหวังเลยว่าเมื่อท่านเป็นมนุษย์อยู่นั้นท่านได้รู้จักกับคนนั้นท่านได้รู้จักกับคนนี้แล้วหวังว่าเมื่อท่านไปเป็นโอปปาติกะแล้วจะรู้จักเขาไม่มีทางเป็นไปได้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 เมื่อท่านได้เป็นโอปปาติกะแล้วข้าพเจ้าก็ยังจำท่านได้แต่ท่านจะมิอาจจะจำข้าพเจ้าได้ทั้งๆที่ข้าพเจ้าอาจจะบอกว่าข้าพเจ้านี่แหละคือสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารโตวัดระคังซึ่งที่ครั้งเมื่อท่านเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยมาเข้าทรงและให้คำแนะนำท่านแล้วท่านจะมิอาจจะเชื่อได้เลยเราจะไปทำความรู้จักกันใหม่ในโลกของโอปปาติกะ เพราะฉะนั้นทุกคนจงเอาตัวรอดแต่เพียงลำพังคนเดียวเถอะอย่าได้เป็นห่วงคนโน้นคนนี้เลยการละอุปาทานในโลกของโอปา ป, ปาติกะนั้นยากยิ่งเสียกว่าเมื่อเป็นมนุษย์มีอาจจะพูดออกมาได้ว่าเป็นกี่เท่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรเมื่อท่านไปเป็นโอปาปาติกะนั้น ม่อาจจะปิดบังได้เมื่อท่านเป็นมนุษย์นั้นปิดบังได้เพราะว่าเนื้อหนังที่ได้รับมาจากทางกรรมพันธุ์แต่ว่าเมื่อมีชีวิตเป็นโอปปาติกะนั้นท่านตัวคนเดียวมาคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวอย่าลืมว่าเมื่อไปอยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้นท่านจะจาใครไม่ได้เลยแม้แต่ตัวของท่านเอง คุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของท่านที่ได้สร้างสมไว้เมื่อตอนที่เป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะเลี้ยงโตท่านได้การไปรู้จักกับโอปปปาติกะตนอื่นก็จะมีความหมายเช่นเดียวกับเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์นี้ท่านไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าคนนั้นคนนี้เป็นใครนอกเสียจากว่าท่านจะเคยได้ยินชื่อเสียงหรือได้รับการแนะนาให้รู้จักกัน โลกของโอปปาติกะนั้นแบ่งชั้นวันนะไว้อย่างมีระเบียบพวกที่มีจิตใจดีก็อยู่แต่พวกมีจิตใจดีพวกที่มีจิตใจเลวก็อยู่แต่พวกที่มีจิตใจเลวมิได้รวมกันปะปนกันเหมือนมนุษย์ในโลกนี้ซึ่งเราไม่อาจจะมองทะลุไปได้ว่าคนนี้มีคุณธรรมสูงคนนี้เป็นคนเลวความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นเมื่อเราอยู่ในโลกมนุษย์นั้น ถ้าแม้นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องซึ่งมีความทรมานแก่ใจเราเป็นทุกข์เป็นร้อนนั่งไม่ติดนอนไม่หลับแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังหาอารมณ์อันอื่นๆมาทับถมอารมณ์นั้นไว้ได้อารมณ์นั้นจะฝังอยู่ข้างในไม่ได้แสดงออกมาเราก็เพลิดเพลินไปกับอารมณ์อื่นแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในโลกของโอปปปาติกะนั้นเมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาหมายความว่า กรรมที่เราทำนั้นได้แสดงออกมามันจะอยู่อย่างนั้นจนสุดลิกของมันเราไม่อาจจะนึกคิดเอาอารมณ์อื่นเข้ามาทดแทนได้เลยและอย่าลืมว่าอุปาทานของโอปปาติกะนั้นร้ายแรงยิ่งกว่าอุปาทานของมนุษย์ ข้าพเจ้าเคยพูดเอาไว้เมื่อครั้งคราวก่อนนั้นว่าพระพุทธองค์ทรงเคยตรัสไว้ว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากนักยากสุดแสนเราจะทําความดีและปรับปรุงจิตใจของเราได้ก็เมื่อเราเป็นมนุษย์เท่านั้นเมื่อไปเป็นโอปปาติกะแล้วจะทําการกุศลได้ยากมากนอกเสียจากว่า บุคคลนั้นเมื่อครั้งที่ยังเคยเป็นมนุษย์อยู่นั้นเคยได้อย่างน้อยประถมมชานถึงจะมีจิตใจซึ่งจะระลึกขึ้นได้ว่าเราจะต้องพยายามทำจิตใจเราให้สูงขึ้นกว่านี้ได้แล้วและจะระลึกถึงบุญกุศลเก่าๆซึ่งจะเป็นเสมือนปุ๋ยซึ่งจะหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เจริญงอกงามได้อย่าลืมว่าเมื่อเราได้รับความทุกข์ทรมานในโลกของโอปปาติกะนั้น มนุษย์ช่วยเราได้ไม่ถึงหนึ่งปอร์เซนถึงแม้ว่าเขาจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนยังมีเวลาอยู่ก็จงรีบฉวยโอกาสที่ว่าทำอย่างไรหนอจิตใจเราจึงจะดีขึ้นกว่านี้วันนี้ข้าพเจ้าจะพูดเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้คราวหลังจะมาพูดต่อ